นการบริหารบูคณาแทนพระมหาเทระก็ได้พยายามตั้งตัวไว้ในเมตตารักใคร่ผู้น้อยเหมือนลูกหลานกรุณาสงสารสงเคราะห์ได้ปัดใจลาบตามมีตามเกิดมุทิตาส่งเสริมสนับสนุนผู้น้อยได้ดีอุเบกขาวางตัวเป็นกลางอาศัยความยุติธรรมเป็นหลักผู้น้อยจึงเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและนับหลัง ปฏิบัติตามโอวาท ด, ด้วยความเต็มใจสามาัคคีกลมเกลียวกันดีทำให้งานสำเร็จรุ้่วงเรียบร้อยตลอดมา ันธรรมสวนรก็ต้องแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทแทนพระเทระอาศัยรอบรู้ในธรรมะและเข้าใจในวิธีเทศนาอยู่บ้างประชาชนจึงนิยมชมชอบจำนวนพุทธบริษัทพาฟังเทศเพิ่มมากขึ้นทุกวันในไม่ชาเกียรติคุณก็ระบือกระชอนเป็นความจริงนะท่านที่เสียงุท่านเลยกระชอนไปทั่วกรุงราชครืทีเดียอย่างนั้นเหรอสมเณร ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าชื่อเสียงเราลือกระชอนมีคนพูดถึงท่านมากมายสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือปัจจัยสี่มีอาหารเริ่มหลั่งไหลเข้ามาท่านก็เห็นใช่เราเห็นแต่นั้นไม่ได้ทําให้เราหลงมัวเมากับวัตถุเหล่านั้นข้าพเจ้าทราบถึงน่าจะมีอาหารเข้ามามากมายท่านก็เก็บไว้แต่พอฉันเพียงอิ่มเดียวในวันหนึ่งนอกนั้นก็แจกจ่ายแก่พิสูจและสามเณรทั่วไปทําไมท่านต้องทำอย่างนั้นฉันถือหลักว่า เพราะให้ชีวิตอยู่และอยู่เพื่อทำดีท่านหาเทรากลับมาแล้วท่านยังจะอยู่ที่นี่หรือว่าออกเดินทางต่อไปคิดว่าจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ให้ความผาสุกสำราญทั้งกายและใจอากาศและผู้คนเป็นที่ถูกใจคิดว่าจะอยู่ให้นานที่สุดว่าที่อาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้ ข้าแต่ท่านผู้เจริญอ๋อสุภูตมีอะไรเหรอไม่ทราบว่าวข้าพเจ้ามาขัดความสำราญของท่านหรือเปล่าเปล่าหรอกนี่อาบด้ําเสร็จแล้วก็เลยมานั่งพักเล่นนึกถึงทําข้อใดก็เอาขึ้นมาพิจรารณาแล้วก็ฟังเสียงใบไผ่และต้นไม้เสียดสีกันไปด้วยเมื่อต้องลมฟังเพลิดเพลิน ด, ดีท่านมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถอ วันนี้ข้าพเจ้าได้ไปให้โอวาดแก่พิษุณีตามวาระเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็มีนางพิษุณีแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาถามข้าพเจ้าว่าเพราะไรวะตะเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ในเวรุวันวิหารนี้ท่านเป็นชาวเมืองนี้หรือมาจากไหนแล้วท่านตอบไปว่ายังไงข้าพเจ้าตอบเธอไปตามตรงว่าท่านมาจากกรุงสาวัตถีพอได้ทราบ ว, ว่าท่านมาจากกรุงสาวัตถีเท่านั้น นางแสดนอาการดีใจมากนั่งยิ้มอยู่ครู่หนึ่งจึงถามอีกว่าท่านอายุกี่ปีรูปร่างลักษณะยังไงข้าพเจ้าก็ตอบไปว่าท่านอายุประมาณสามสิบเศษผิวค่อนข้างขาวรูปร่างสมส่วนแล้วข้าพเจ้าก็ย้อนถามนางไปว่านางยังไม่เคยพบท่านหรือและนางตอบว่ายังไงนางบอกว่านางเคยพบมานานแล้วพบข้าพเจ้ามานานแล้ว นางบอกข้าพเจ้าอย่างนั้นนะที่ถามก็เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะใช่พระเรวัตตที่เคยรู้จักหรือเปล่านางเป็นใครละ่ะข้าพเจ้าถามแล้วนางบอกว่ามาจากกรุงสาวัตถีนางชื่ออะไรนางชื่อรีลาวดีรู้สึกเสียวแปลกที่หัวใจใคล้ายถูกแทงด้วยเหล็กแหลม หน้ามือตามัวง์งนงงไปหมดคล้ายจะเป็นลมออท่านผู้เจริญท่านเป็นอะไรไปอ่ะท่านไม่สบายใช่ไหมเปล่าข้าพเจ้าสบายดีแต่เมื่อกี้ตัวท่านเอียงไปเอียงมาทําท่าคล้ายจะล้มอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอาจจะเรียกว่าขยับตัวก็ได้เออว่าแต่เมื่อกี้ท่านว่าอะไรนะนางภิกษุณีแปลกหน้าชื่ออะไร นางชื่อลีลาวดีท่านผู้เจริญท่านจําไม่ผิดแน่นะนางชื่อลีลาวดีแน่เขาพระเจ้าถามซ้ำท่านสองครั้งตอนสุดท้ายนางยังบอกข้าพเจ้าว่าจะมาเยี่ยมท่านเย็นวันนี้นางจะมาเยี่ยมข้าพเจ้าเย็นวันนี้นางบอกข้าพเจ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจงมาเรียนให้ท่านทราบไว้ล่วงหน้าลีลาวดีเอ้ยเธอสาตามหลวงพี่มาจนถึงกรุงราชคลึก จะมาทำลายความสงบใจของหลวงพี่เธอได้สนัดหลวงพี่ทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ก็ แ, แต่งงานกับสุวัฒนากุมารเธอได้คว่างดอกไม้แห่งความหวังของหลวงพี่ลงกระพื้นและออกเท้าเหยียบขยี้เสีอย่างไม่ปราณีจนหลวงพี่ต้องเนรเทศตัวเองจากกรุงสาวัตถีจละนี่เธอตามหลวงพี่มาจนถึงกรุงราชฤทธิ์เธอจะมารื้อฟื้นความหลังอันขมขื่น ทำลายความสงบสุขของหลวงพี่เธอจะมาคุ้ยเขีย่ยแผลหัวใจของหลวงพี่ที่กำลังหายสนิทให้กำเริบขึ้นอีกลีลาวดีเอ๋ยเธ อ, อยาหวังเลยว่าจะได้พบหลวงพี่นั่นท่านกำลังคิดอะไรอยู่ไปเถอะท่านสุภาตะไปบอกกับนางภิกษุณีแปลกหน้าเถอะว่าพระพเจ้าไม่อยากพบและจะไม่ยอมให้เธอพบเปน็นแดนขาด โกรวนกรวายใจท่านบอกความประสงค์ของข้าพเจ้าแก่ท่านเรวตต์ได้ ย, ดยังอาตมาบอกแล้วนายท่านเล่ายังไงท่านไม่ต้องการให้นางพบท่านบอกอย่างนั้นเหรอท่านบอกอย่างนี้แหละท่านไม่ต้องการพบไม่จะไม่ให้นางพบอย่างเด็ดขาดท่านเรวตัตะ ตั้งแต่เย็นวานนี้แล้วแล้วนางว่ายังไงบ้างสุภูตานางไม่ว่าอะไรพอข้าพเจ้าบอกเสร็จนางก็เอาแต่ร้องไห้ข้าพเจ้าไม่รู้จะปลอบยังไงรู้สึกสงสารนางเหลือเกินนางร้องไห้พลางพูดคำครวญไปต่างๆนานานางพูดไปยังไงบ้างข้าพเจ้าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ใครจะขอความกรุณาท่านช่วยไปพบนางสักหน่อย ข้าพเจ้าสงสารนางเละเกินอุสาเดินทางมาจากกรุงสาวัตถีเพื่อจะพบท่านแต่แล้วก็ผิดหวังน่าเห็นใจนางมากท่านยังไม่รู้ความจริงจึงได้สงสารนางความจริงเป็นยังไงอ่ะท่านเล่าให้ฟังหน่อยเถอะถ้าท่านอยากรู้ความจริงจงไปถามลีลาวดีถ้านางเล่าความจริงให้ท่านฟังท่านจะเห็นใจข้าพเจ้า สงสารข้าพเจ้ายิ่งกว่าลีลาวดีไปเถอะท่านสุภูตักไปหาลีลาวดีสำหรับข้าพเจ้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่ยอมพบหน้านางอีกนางจะอยู่ที่นี่หรือจะไปไหนก็ตามใจแต่อย่ามาให้ข้าพเจ้าเห็นนาเพียงแต่ได้รับข่าวว่านางอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าก็ไม่สบายใจเสแล้ว ใช้เวลาให้หมดไปแต่ภายในกุฏิน้อยไม่เห็นพระสุภูตตะมารายงานอะไรให้ฟังอีกก็ดีต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วไม่อยากได้ยินได้ฟังคำว่าลีลาวดีชื่อนี้เป็นเสมือนพายุใหญ่พัดทองทะเลคือจิตใจให้ปานโกดคนเาราักความสุขเกลียดความทุกข์ผู้ใดนำความทุกข์มาให้ ย่อมเกลียดผู้นั้นสิ่งนั้นลีลาวดีคือททษแห่งความทุกข์อย่างแท้จริงยำสนธยาออกจากกุติอาบน้ำชำระกายแล้วกลับเข้าห้องปิดประตูขังตัวเองความมืดค่อยๆคืบคลานเข้าปกคลุมพระเวรวนทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสนัดไม่มีเสียงลมพัดใบไผ่ ไม่มีเสียงกระแต่รองไม่มีเสียงไก่ป่าขันมีแต่เสียงแห่งความเงียบสภาพอย่างนี้คือยอดปรารถนาอยากอยู่ในความเงียบเช่นนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะหนาได้เอ๊ะตมันจะมีเสียงคนมาใครกันนะคือพาที่มาผิดที่แล้วขังไม่ผิดหรอกนี่แหละ กุฏิของท่านเลวตตะเถระคำพูดเงียบนักละ่ะท่านนี่อยู่ได้ยังไงตามปกติในเวลาเช่นนี้ท่านไม่เคยไปไหนบางทีท่านอาจกํากลังเข้าที่สมาธิก็ได้ลองขึ้นไปขอประตูเรียกสิไม่เอาข้าพเจ้าไม่กล้าแตเดี๋ยวท่านดุเอาไม่เป็นไรนาะถ้ากลัวท่านดุอ้างชื่อฉันก็แล้วกันข้าพเจ้าไม่กล้าจริงๆกลัวท่านดุงั้นฉันจะขอปไปตเรียกท่านเองเบนยาเงียบ ไม่มีใครอยู่ลองดันประตูดูสิถ้าไม่มีคนอยู่ประตูจะต้องปิดลองดูก็ได้เป็นยังไงคะไม่เปิดใส่กรอนรข้างในถ้าอย่างนั้นต้องมีคนอยู่ข้างในแน่ขอประตูเรียกอีกทีสิคะลุงพี่ลุงพี่ดีลาวดี หลวงพี่หลวงพี่คะบัดใครลีลาวดียังไงแล้วคะจังสิงลีลาวดีไม่ได้เนาะลีลาวดีที่ไหนแถวนี้ไม่มีคนชื่อลีลาวดีอัตมาไม่เคยรู้จักลีลาวดีทีดาของสุนังคะคักขาบดีหันกุงสาวัตถียงงละ่ะหลวงพี่จำไม่ได้หรอคะลีลาวดีคนนั้น กำลังมีความสุขอยู่ในอ้อมแขนของสุวัฒนากุมารที่กรุงสาวถีเขาจะมาทําไมที่ป่าไผ่กรุงราชครึกโธน่าสงสารหลวงพี่ไม่รู้ความจริงหลวงพี่เข้าใจผิดพลาดลีลาวดีสาบวยเป็นพิ่สุนีติดตามหลวงพี่มาก็เพื่อจ ะ, ะแถลงความจริงให้ทราบฉันไม่อยากฟังความจริงของเธอลีลาวดีฉันรู้หมดแล้วไม่ใช่เพราะความจริงเช่นนั้นดอกเหรอ ฉันจะต้องระเทศตัวเองออกจากกรุงสาวัตถีหลวงพี่ยังไม่รู้ความจริงถ้าหลวงพี่รู้ความจริงหลองพี่จะไม่ไหนีจากกรุงสาวัตถีฟังนะคะ่ะลีลาวดีจะเล่าความจริงให้ฟังไม่มีประโยชน์หรอกลีลาวดีเขา อ, อยากเล่าก็เล่ า, ลาไปแต่ฉันจะเอามืออุดหูทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้ได้ยินได้ฟังอะไรทั้งสิน้นและเธอจะร้องไห้ทําไม คิดว่าจะทำให้ฉันใจอ่อนสงสารเปล่าเลยมันกลับทำให้ฉันขำซะอีกนะไม่ว่าลีชาติก่อนลีลาวดีได้ทำบาปกรรมอะไรไว้นะเกิดมาชาตินี้จึงประสบแต่ความผิดหวังและความระทมทุกข์ลีลาวดียอมสละแม่มันเกิดกล่าเข้่หาสถานบ้านเรือนเพื่อนที่ทรัพย์สมบัติมหาศาลออกถือเพี้พิสุณี ท, ที่เสดสีพิเนจรมาด้วยความลำบากแสนสาหาัสเป็นเวลาหลายปีผ่้สอะแสวงหาขึ้นมาพบแล้วแทนที่จะได้รับความเห็นอกเห็นใจกลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ดีใจดีลีลาวดี <c oughs> ถ้าเธอยังรักฉันอยู่ <c oughs> ฉันขอรออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าคิดว่าลีลาวดีอยู่ในกำามือของหลวงพี่แล้ว เป็นความต้องการของหลวงพี่และชีวิตของนีลาวดีก็ยิ่งดีมากผ่าไว้ถ้าอย่างนั้นขอให้เธอกลับไปยังสำนักพิกษุณีเสดียวนี้หลวงพี่หพี่ด้วยการที่นีลาวดีกลับไปเหรอคะถูกแล้วเธอจงกลับไปสะกค่ะมีลาวดีจะกลับไปเดี๋ยวนี้ ลาวดีกลับไปแล้วลง อ, อกไปทีความเงียบกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนี่ถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปคงถูกลีลาวดีรบกวนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเชน่นนี้เห็นทีตะบะอาจจะสลายไปนแน่เพราะความสงสารจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ได้พัฒนหารพอฉันแล้วจึงออกจากเมืองมาฉันที่เชิงเขาคิดเชกูดโดยไม่ได้บอกให้ใครรู้เมื่อเสร็จพัฒกิจจึงออกเดินมาเดี๋ยวเดียวก็ถึงถ้ำสุกราขาตาถ้ำนี้เมื่อหลายปีมาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับพักผ่อนพาริยบทเป็นที่เงียบสงัดร่มเย็น เหมาะสำหรับสมณะผู้สละแล้วซึ่งสิ่งโลกีเดินตรวจดูบริเวณรอบๆแล้วก็รู้สึกพอใจมากจึงต้องพักผ่อนอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราว สาวันผ่านไปได้วยความสงบสุขยิ่งพักอยู่นานวันก็ยิ่งรู้สึกชอบถ้ำสุกรขาตานีิมากขึ้นบริเวณถ้ำกว้างขวางลมพัดเย็นสบายตลอดวันบริเวณปากถา้ำต้นไม้ขึ้นร่มเย็นผู้คนไม่พลกพล่านบางวันมีผู้ใกล้ในธรรมะขึ้นมาสนทนาธรรมเป็นการเพิ่มปัญญาและรักษาจิตใจได้เป็นอย่างดี นี่ก็บ่ายมากแล้วนั่งพักผ่อนบนชงอนหินปากข้ามเย็นสบายดีเอ๊ะนั่นดูเหมือนว่ามีพระรูปหนึ่งกำลังเดินขึ้นมาตรงมาทางนี้ซะด้วยสินั่นสุภูตะนี่นะ กู้ตัจึงได้ขึ้นมาหาถึงที่นี่ข้าพเจ้าจะมาแจ้งข่าวร้ายให้ท่านทราบข่าวร้ายอะไรคงไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้ากระมังเกี่ยวกับท่านโดยเฉพาะทีเดียวเกี่ยวกับข้าพเจ้าโดยเฉพาะถูกแล้วท่านเรวตะไหนบอกสิมีข่าวร้ายอะไรเกี่ยวกับข้าพเจ้าลีลาวดีภิกษุณีล้มเจ็บหนักเป็นเวลาสามวันแล้ว ลีลาวดีล้มเจ็บหนักอาการหน้าวิตกนางเพลเริมือถึงท่านตลอดเวลาบอกว่าก่อนจะตายอยากจะขอดูหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าจึงขอนุมทน์ท่านไปอนุเคราะห์นางเป็นครั้งสุดท้ายด้วยข่าวนี้นทำให้ใจหายว่าอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคล้ายกับเป็นลางร้ายบอกสถานการณ์ของลีลาวดีความสงสารเริ่มเกิดขึ้น แต่ความแค้นแข็งก็ไม่ได้หายไปความสงสารและความเกลียดชังต่อสู้กันลีลาวดีรักท่านยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองซื่อสัตยต่ท่านมีวันเปลี่ยนแปลงได้ช่วยชีวิตท่านไว้หลายครั้งอุตส่าห์สละแม่และบ้านเรือนออกติดตามสืบค้นหาท่านทั่วแผ่นดินจนพบเข้าในที่สุดแต่แล้วก็ต้องผิดหวังไม่ได้รับอะไรจากท่านเลย แม้แต่คําทักทายอันอ่อนหวานสักคําเดียวก็ไม่มีท่านทําทารุณเกศสตรีเกินไปท่านใจร้ายท่านใจร้ายลีลาวดีเป็นผู้ทรยศต่อท่านหลอกให้ท่านหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็สละท่านทิ้งอย่างไม่ใยดีหนีไปแต่งงานกับสุวรนณกุ ม, มารคนอย่างนี้ไม่สมควรจะสงสารอย่าสงสารอย่าสงสา ร, อาสารโอ้ยอุ่นวายใจไปหมดแล้ว ตัดสินใจไม่ถูกว่ายังไงล่ะท่านจะไปพบลีลาวดีไหมเอาละ่ะท่านกลับไปก่อนเถอะสุภูตข้าพเจ้าจะไปพบลีลาวดีเย็นวันนี้กรุณาเร็วหน่อยนะท่านชาไปอาจไม่เห็นใจนางก็ได้และข้าพเจ้าจะรีไปท่านกลับไปเถิดข้าพเจ้ากราบลา สำนักภิกษุณีพกข้าพระสุภูตะนำเข้าไปในโรงฉันซึ่งเป็นที่พักของดีลาวดีบรรยากาศรอบๆ บ, บ, บริเวณนีบเงาหน้าเศร้าใจภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นภาพที่ก่อความสังเวชสลดจิตให้เป็นอย่างมากดิลาวดีนอนหลับตาพลิ้มอยู่อย่างสงบบนเตีแวดล้อมด้วยนางภิกษุณีชั้นอาวโุโส กระที่ปลัวหนึ่งตั้งอยู่บนต่างข้างเตียงส่องแสงสว่างวอมแวมพอมองเห็นหน้าได้เท่านั้นใบหน้าของลีลาวดีซูบซี่จนแทบจําไม่ได้ไม่มีร่องรอยของความสวยงามสดชื่นอย่างแต่ก่อนเหลืออยู่เลยลีลาวดีลีลาวดีพระฤาษีพระเทระมาแล้วน้องพี่ หลวงพี่คะลีลาวดีหลวงพี่มาหาลีลาวดีแล้วกำลังอยู่ใกล้ๆลีลาวดีนี่เองหลวงพี่ขยับเข้ามาอีกหน่อยสิคะขยับเข้ามาให้ใกล้อีกนิดลีลาวดีจะได้ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายชีวิตของลีลาวดีคงไม่ยืนยาวอีกต่อไปแล้วหลวงพี่อยู่เฉพาะหน้าเธอนี่แล้วลีลาวดี ขอให้ลีลาวดีได้จับมือหลวงพี่เป็นครั้งสุดท้ายเอาสิมือของหลวงพี่อยู่นี่หลวงพี่คะวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของลีลาวดีใกลเข้ามาทุกขณะแล้วขอให้หลีลาวดีเผยความจริงให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อหลวงพี่จะได้เข้าใจถูกแล้ว แล้วลีลาวดีจะได้ตายยังเป็นสุขเล่าไปเถอะลีลาวดีหลวงพี่พร้อมจะฟังอยู่แล้วก่อนที่หลวงพี่จะจากกรุงสาทถีมาหลวงพี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือและชื่อของลีลาวดีใช่ไหมถูกแล้วหลวงพี่ได้รับจดหมายนั้นในเวลาเดียวกันลีลาวดีก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง เป็นลายมือและชื่อของหนูงพี่หลูกพี่ไม่เคยเขียนจดหมายพลีลาวันดีก็ไม่เคยเขียนถ้าเช่นนั้นจดหมายทั้งสองฉบับเป็นจดหมายปลอมจดหมายปลอมค่ะหลวงพี่ ชวัฒนากุมารเป็นคนเขียนเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเราพอได้รับจดหมายฉบับนั้นหลวงพี่ก็เชื่อสนิทและเลรเทศตัวเองหนีมาใช่ตอนนั้นหลวงพี่เชื่อสนิทแต่ลลลาว ด, ดีไม่เชื่อว่าจะเป็นจดหมายของหลวงพี่จึงพยายามค้นหาความจริงค้นหาความจริงโดวยวิธีไหนได้วยการทำเป็นแกล้งรักชวัฒนากุมาร ไดอสัญญาว่าจะแต่งงานกับเขาถ้าเขาบอกความจริงที่รู้ในที่สุดเขาก็บอกความจริงว่าเขาเองเป็นคนเขียนจดหมายทั้งสองฉบับเธอเหนื่อยมากแล้วลีลาวดีไม่ต้องเล่าอีกแล้วขอให้ลีลาวดีเล่าเธอะเล่าเป็นครั้งสุดท้ายพอทราบความจริง ในลาวดีก็ออกบวชเป็นภิกษณุณีและออกเดินทางรอนแรมไปตามมิคมชนบทต่งตางๆสืบถามหาหลวงพี่ร่นมาจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือบอกความจริงให้หลวงพี่ทราบบัดนี้ในลาวดีได้ไปนถึงจุดประสงค์แล้วแม้จะตายก็หาสินดาชีวิตไม่หลงพี่โปรดอภัย ให้แกลีลาวดีสำหรับความผิดพลาดที่ที่แล้วมาด้วยลีลาวดีหลวงพี่ยินดีให้อภัยแก่เธอทุกประการหลวงพี่ไม่เคยทราบความจริงข้อนี้จึงได้โกรธแค้นทิงชังเพราะเข้าใจว่าลีลาวดีเป็นผู้ทรยศสลัดหลวงพี่ทิ้งอย่างไม่ใ ย, ยดีและไปแต่งงานกับสุวัฒนากุมาร ปัตนีหลวงพี่ได้ทราบความจริงแล้วความเข้าใจผิดพร้อมทั้ความเกลียดชังหายไปหมดสิ้นความรักความสงสารยังจับใจได้กลับคืนมาเสียดายอาดีตเหลือเกินแต่จะทํายังไงได้เมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วเทลาวดีจงให้อภัยแก่หลวงพี่สําหรับความผิดพลาดที่ได้ทมา วิลาวดีให้อภัยทุกอย่างอู่พี่คะชาตินี้มีกรรมความรักของเราจะมีแต่อุปสรรคตลอดมาลืมความหลังซะเถอะวิลาวดีบปัตนี้เราเข้าใจกันดีแล้วกรรมของเราให้ผลเสร็จสิ้นลงแล้วในชาตินี้ต่อไปขอให้เราได้พบกันอีก ขอให้ทางรักของเราจงราบรื่นลงที่จะรักลีลาวดีคนเดียวทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุถึงพระนนิพพานลีลาวดีมีความสุขเหลือเกินลีลาวดีมีความสุข ล, ลีลาวดีมีความสุขลีลาวดีลีลาวดี นางตายแล้วตายแล้วลีลาวดีตายแล้วจริงๆนะเดอสุกผู้ตัดนางตายแล้วจริงๆลีลาวดีจากข้าพเจ้าไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่นางก็าจากไปอย่างสงบสุขรอยยิ้มอย่างสดชื่นปรากฏอยู่บนใบหน้าไปที่ชอบเธอะลีลาวดีเอ้ยไปคอยหลวงพี่อยู่บนสวรรค์ในไม่ช้าหลวงพี่จะตามไปท่านจะจัดการอย่างไรกับศพนี้นะ่ะข้าพเจ้าจะจัดการศพของลีลาวดีอย่างสมเกียรติ แล้วกอพระเจดีย์บรรจุอัฐิของเธอไปที่ประตูพระเวรวุนารามให้ในช่างจารึกอักษรไว้บนแผ่นหินข้างเจดีย์ท่านจะจารึกอักษรไว้ว่ายังไงลีลาวดีผู้บูชาความรักยิ่งกว่าเทพเจ้าลีลาวดีผู้ซื่อสัตย์ต่อความรักยิ่งกว่าชีวิตลีลาวดี ผู้รักคนยิ่งกว่าตนเอง